เพราะตั้งเป็นผู้มักน้อยสันโดษเขาบอกจะให้ยีวัผ้าบอขอยีวันแพรเทอะให้ผ้าเนื้อไม่ดีขอผ้าเนื้อดีเถอะนี่มันเป็นความโลภนี่อธิศีนสิขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิขาไม่มีเลยนี่ไม่มีความเป็นผ้าแล้วลงนรกทั้งเพแหมว่าต่อธิมบายเสียขอก็ลุมหลามอย่างนี้ใช้ไม่ได้ เจ้าถ้ากระหัดผู้เจถวายจีวรแก่บิสมีหลายคนแต่เขาไม่ใช่ยติไม่ใช่ปรวรนาที่สุไปพูดในเขารวมทุนังนเข้าแปันเดียวกันให้ซื้อจีวรที่แพงกว่าดีกว่าดีเขาราหบดไว้เดิมได้มาต้อง น, นิสัขีปาจิตีนี่ก็รันแดงที่งอยากได้ของดีของสวยของงามมันเป็นกิเลส เาจะให้กันยังไงก็ให้เขาให้ไปดิก็เป็นแนะนํามันก็รวมกันทาไมนี่ทําเพื่อส่วนตัวของมณิษส์คีนี่เป็นแล้วของต้องทิ้งไปนะตัวเป็นอันบัตไปจิตตีจิตเป็นบาปก็ลงนรกไปตามสบายนี่อย่าลืมดีขาบทที่ในขาบทเป็นที่มาของนรกทางนั้นสิบถ้าใครใครนำทรัพย์มาเพื่อค่าจีวรแก่วิสุ แต่วถามม่สุว่าใครเป็นวิยาวิทยกรของเธอถ้ามิสุต้องการจีวรเพื่อแสดงคนวัดหรืออุบาสกว่าคนนี้เป็นวิยาวิยากรของมิสุทั้งหลายคำว่าวิยาวิทกรเนี่ยเป็นผู้ทํากิจสงทํางานแทนเราเราใช้เป็นผู้รับใช้นั่นเองเป็นผู้ดูแลสงใครเขามอบหมายไว้กับวิยาวิทยกรแล้วสั่งมิสุว่าถา้าต้องการจีวร ให้เ้าไปหาวยาวิทยกรที่สูนนั้นพึ่งเข้าไปหาเขาแล้วท้าทวงว่าเราต้องการจีวร อ, อย่างนี้สามครั้งถ้าไม่ได้จีวรไปยืนแต่พลอยเขาเห็นอีกหกครั้งถ้าไม่ได้ขึ้นไปทวงเกินสามครั้งยืนเกินหกครั้งได้มาต้องอบัดนิสกีปาจิตีเฮียๆนีก่ก็ของเราเรามีสิทธิ์แล้วก็เอาได้ ไปทวงได้ไม่เกินสามครั้งยืนให้เขาเห็นไม่เกินหกครั้งผมว่าถ้าทวงไม่ได้แล้วก็อย่าไปยืนเลยนั่นแกใจด้านพอแล้วจิตเป็นบาปพอแล้วพอที่จะโกงได้ถ้าคนที่มีมัน ญ, ญาติดีแล้วก็เขาต้องถามมาเสมอว่าจีวอนนี่เขาต้องไหว้ท่านนะ่ะมันอยู่ที่ผมนะขรับท่านต้องการอะไราก็บอกนี่มันไม่เป็นเรื่องแล้วนี่ ถ้าเราไปทําเกินไปก็สแสดงว่าไอ้จิตเรามันจะกลุ้มอย่าไปทวงเลยดีกว่าถ้าเราฝากไว้กับใครเรารู้อยู่ถ้าเราไม่มีไปเตือนเขาบว่าโยมจิว่าอัตมาขาดเส็จแล้วแต่เขาทําเฉยเสียแล้วก็ทิ้งมันเลยดีกว่าไม่เอาแล้วถ้าจิตเข้าไปยุ่งมันเป็นกังวลการจเจริญฌานมันก็ไม่เป็นฌาน เจริญนัสนาใยนก็ไม่เป็นเรื่องดีไม่ดีมันจะเปลืองสิ่งอีกความโกรธเกิดขึ้นขาดเมตาให้เขาลงนรกไปแต่ผู้เดียวเราจะไปกับเขานี่ต่อไปท่านบอกว่าถ้าไปทวงและยืนครบกำหนดแล้วไม่ได้จีวรก็จำจะต้องไปบอกเจ้าของเดิมเขาว่าของนั่นเราไม่ได้รับมาเขาไม่ให้พวกง่ายๆ ขอจะของเขาเรียกคืนไปเสียนี่โดยมัน ญ, ญาติบอกให้เขาทราบมื่อก็าทราบว่าของอยานาอาตมาไม่ได้หรอกโยมเขาไม่ให้นี่แต่เขาจะถามว่าเอาคุณไปทวงหรือเปล่าล่ะก็ตอบว่าไปทวงแล้วแต่เขาไม่ให้ในเมื่อเขาไม่ให้อาตมาก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนี่ไปทวงถึงสามคนแล้วแล้วก็ไปเยือนก็เห็นหนึงหกครั้งตามพระวินัย นี่เวลาเหลืออีกสี่นาทีหรือห้านาทีห้านาทีแต่่าพูดไปทังด้านเวไนยมันก็ไม่เป็นเรื่องเราก็มาพูดในอารมณ์ที่เราจะพึงปฏิบัติในพระวไนยฟังพระวไนยแต่ละสิรขาบทจำกันไว้ดีนะเขารักเนีย่ยผมพูดยอ่ยอๆไว้แล้ววันหลังผมจะเอาทบปธมบบัญญัติมาออาให้ฟัง จะได้จำไว้ว่าแต่ราศีขาบทใครก็ทำอะไรกันบ้างแต่ก็ต้องขอเวลาแต่ท่านนั้นหลายจงคิดว่าท่านเป็นพระสงค์ในพราพุทธศาสนาพราะวินัยทุกศีขาบท่เราก็ต้องปฏิบัติโปรดจำให้ดีนะครับอย่าใช้คำ่าลืมอย่าใช้คำ่าเผลอแกแล้วเนี่ยลืมไป ความจริงนักบวชที่ยิ่งยิ่งแก่เขายิ่งเก่งนะยิ่งแก่ยิ่งเคร่งว่าเป็นคนใกล้จะตายเมื่อเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ต้องจำไว้ว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องพยายามปฏิบัติตามทุกอย่างทุกสิขาบทที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงสั่งสอน ข้ออะไรเพราะว่าอธิธศีทธินกศึกษาเราต้องมีศีลบริสุทธิ์อย่างยิ่งยิ่งกว่าคราววัดนี่บางทีผมเคยเห็นพระมีศีล ห, ห้าไม่ครบเมื่อมีศีลห้าไม่ครบข้ออะไรพระพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงดีไม่ดีก็มีการทุจริตคิดไม่ชอบในด้านทรัพย์สิน <c oughs> จะนี่มาดิบายกันถึงบทปราชิกนี่ว่ผมลืมพูดไปนะต้องก็ย้อนมาเล่งกันตอนนี้เอาบทบทปราชิกสีข่ขาบทมีสี่สีขาบทเนี่ยี่เวลามันเหลือเล็กน้อยก็เขาคุยกันข้อดีเสพเมธุนธรรมในความจริงเ ล, ละเมิดกันยากมันต้องเนื่องในบุคคลแต่เขาไม่ตกลงด้วยก็ทำไม่ได้การแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายนี่ก็ยาก ในการอวดโอติมนุษยธรรมนี่ก็ยากคนก็มีความรู้แกล้งฆามนุษย์ให้ตายในเขายะสู้เอาเรากลัวเขาสู้เหมือนกันแต่โบราณชิกนี้เป็นกนง่ายที่สุดก็คือว่าซีขาบทิศสองเถือของเนี่จของไม่ให้แต่ราคาห้ามาศกขึ้นไปยังไงเขาทําบุญมาเนี่ยต้องระวังให้ดีเพราทําบุญมาเพื่ออะไรต้องจัดไปตามนั้นไม่ใช่ได้มาแล้วมเอามาแบ่งกัน ไอ้เงินที่จะแบ่งกันได้นี่เป็นเงินสังฆทานแต่ก็ดูตามควรถ้าไม่สมควรก็ไม่แบ่งเอาไว้เป็นส่วนกลางทําประโยชน์ส่วนกลางให้เกิดนี่ผมเคยแจกเงินสังฆทานบ้างท่านบ้างไม่แจกบ้างเพราะผมอ้วนก็เป็นเงินสงหมดเพราะอะไรก็แจกกันไปก็มีความโลภอันทีพอจะไม่แจกบ้างเราจะฆ่าไม่ดีซะแล้ว นี่ต้องแบ่งปันไม่เป็นสองส่วนนี้ถ้าท่าไม่ดีแต่ผมไม่แจกต่อไปเลยผมจะเอาไว้เป็นสนน่วนวิหารทานให้หมดในราการหนึ่งไว้ของเรานี้ผมเสียค่าไฟแต่ผู้เดียวสิ่งเรื่องหลายมันเสียหายบกพร่องผมก็ต้องเสียอยู่แล้วแต่เงินจนํานวนนี้ผมก็ถือว่าผมใช้ในเรื่องของสงฆ์มันก็ถูกแต่ยังอุตส่าห์แบ่งให้ตอนนี้เรื่องภาจนะของใช้ก็เหมือนกัน ที่มีอยู่แล้วจะต้องระมัดระวังถ้าอะไรมันแต่เสียหายต้องใช้หลอดไฟก็ไม่กันอย่าใช้เกินกําลังกัดกวาที่มีอยู่ <c oughs> ให้ไปแล้วเราไวจะมีเตอร์แล้วมันพอสมควรแต่ใช้เกินไปมีเตอร์พังท่านจะเสียใจต้องเสียค่ามีเตอร์เป็นพันเดี๋ยวผมพูดไปแล้วบอกว่าถ้าใครใช้กาลังแรงลืมดับไฟใช้กําลังกระแสไฟเกินสมควรจะต้องเสียค่าไฟตลอดเดือน นี่เป็นคำสั่งถ้าว่าท่านโกงอาบัติประราชิกมันก็กินที่ขอเนี้นี่ข้อนี้มีความหลักแหลมมากแต่ละมัระวังให้ดีต้องมีมัญญาตบวชพระไม่ใช่ทำตัวไปคุ้นนางและอาคารสถานที่ต้องสะอาดอยู่เสมอห้องส้วมห้องน้าต้องล้างําระล้างทุกวันอาคารของท่านผู้ใดท้าสุกรกจะให้ออกจากอาคารนั้น แล้วการยักย้ายอาคารจะไปอยู่อาคารอื่นหลังใดหลังหนึ่งต้องแจ้งผมทราบก่อนไม่ใช่เลือกกระตาบัติยาัยของส่วนสิ่งใดชำรุดทรุดโทรมลงมาต้องซ่อมแซมเองไม่ใช่มาเบิดกับส่วนกลางไอของใช้ไม่สอที่พอจะหาได้กต่แม่งกันก็ควรจะหาไม่ใช่อะไรอะไรขาดนิดขาดหน่อยก็มาเบิดกับส่วนกลาง ถ้าขอกินน้นขอกินนี่อันนี้ผมไม่ตามใจท่านไม่ใช่เรื่องของท่านที่มาทำกันได้อย่างนั้นการก็มาอยู่ในสำนักนี้สำนักนี้ไม่ได้รับเลี้ยงไม่รับภาระเป็นท่าจัดหาให้เพื่ออยู่ผมก็หนักมากอยู่แล้วนี่การก่อสร้างกับผมการจัดหาสิ่งของมาเพื่อความสะดวกสบายกับผมกระแสะไฟก็บสบายน้ำก็บสบาย แต่ว่าสิงอื่นบกทร่องไปบ้างยังจะขอกันอีกมกันก็เกินไปก็ไปอยู่ที่อื่นดีกว่าจะได้ใช้กันเองแจกกันเองทุกอย่างไม่เอายืมาของใช้ไม้สอยถ้ามีอะไรจำจะต้องใช้อยากจะใช้หาซื้อกันเอาเองผ้าผอนทอนสบายก็เหมือนกันพระที่มาอยู่ใหม่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดพระทุองค์ประบอกเขาด้วยเสือเอ้อเสือหมอนพผ้าห่มที่นอนอะไรก็ตามให้ก็หากันมให้ครบ ไม่ใช่จะมานั่งเบิกสร้างสถานที่ให้แล้วให้อยู่สุขสบายแล้วยัมาเบิกของใช้จากสํานักอีกมันจะทนไหวที่ไหนไม่มีเงินไม่มีทองจะมาหาให้มาเจอทานเป็นผู้หาให้ไม่ได้เป็นท่านหาให้นะเอาเราจำกันมานดีบอกเขาด้วยว่าคนที่มาอยู่ใหม่ต้อมาตามระเบียบไอ้แปรเพีที่มาฝากได้ไม่ยอมกลับเปนเลิกรับกันทัทีสร้างความเลวให้แก่สถานที่ คนเร็วๆนี่มีมากเข็นที่อยู่สุขสบายอยากจะลูกหลา่เข้ามาไวแต่เข้ามาไว้ำ ไ, ไม่ปฏิบัติตามระเบียบทินไหนอันนี้เราเข็ดกันทัทีนะช่วยกันเข็ดคนที่ไปที่มาล้วก็ถามเขาด้วยมาจากไหนมาเพื่ออะไรจะมาอยู่ปฏิบัติตามระเบียบได้ไหมหาคนรับรองให้ครบถ้วนต่อไปก็ควรจะให้เขามีเงินมารับรอง ไปรับรองว่าคณจะวางเปง็นตัวเงินดีกว่าการทำความเสียหายต่อไปอาจจะมีนะถ้าคนเราเลยมีมากขึ้นเพียงใดระเบียบนี้อาจจะต้องมีอันนี้สัญญาณบอกเวลาหมดแล้วนี่ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเทาง่านี้สำหรับสิคขาบทต่อไปไว้ฟังฟังกันมันต่อไปสวัสดี มิกะทั้งหลายเวลานี้การทำวัดสดมนเพราอว่านมสัสการพระรัตนตรัยได้ผ่านไปแล้วท่านสังเกตใจของท่านหรือเปล่าเมื่อเวลาที่ได้ยินเสียงนมสัสการพระรัตนตรัยมีความรู้สึกเป็นยังไง จิต ใ, ใจของท่านทราบซึ่งในพระมหากรุณาที่คุณข้อองค์สมเ็จนระสมมาสัมพุทธเจ้าบ้างหรือเปล่าหรือว่าฟังเป็นประเพณีอันนี้ก็ขอให้ท่านพิจารณาใจของท่านเองหากว่าท่านฟังไปเป็นประเพณีก็แสดงว่าท่านบวชข้ามานี้เป็นการบวชไปตามประเพณีหรือว่าบวชอาศัยพระพุทธศาสนาหาเลี้ยงชีพ ทางที่จะไปของท่านก็คืออบายภูมิในอย่างหนึ่งการสนับพระวินยัยท่านตั้งใจหรือฟังด้วยความเคารพหรือเปล่าแล้วก็ตั้งใจจําหรือเปล่าแด้การฟังพระวินยัยถ้าไม่ไม่ได้ตั้งใจจําแล้วฟังด้วยความไม่เคารพก็สแสดงว่าท่านไม่ได้เป็นพิสุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าถือว่าท่านเป็นเดรัจฉีหรือเป็นอารัชชีที่มาทำลายพระพุท ธ, ธาศาสนาให้ย่อยยับไปนี่ขอท่านทังไหลจงจำไว้จงจงพุทธบารสิตีว่าอัตนาโจทยาตานังจงเตือนตนตนได้ตนเองไว้เส ม, มอว่าเวลานี้เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยทุกอย่าง <c oughs> ในระการหนึ่งท่านใช้สัญญาความจำบ้างหรือเปล่าสังเกตสัญญาของเราสัญญาแปลว่าความจำจำได้ไหมถ้าว่าจำไม่ได้แสดงว่าสัญญาของเราเลวสามเต็มที ทั้งนี้พ่ะอะไรเพราะว่าคำว่าศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดก็คือพระวินัยทุกสิ่ขาบทนี้ต้องพยายามกำหนดจดจำให้ได้ทุกสิ่ขาบทถ้าจำได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าสัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาบ้างหรือเปล่าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่ายเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอย่างนี้เพื่อประโยชน์อะไร ถ้าจำได้แต่ไม่ได้ใช้ปัญญาก็ยังชื่อว่าเป็นคนหนานแน่นไปด้วยกิเลสไม่มีทางที่จะพ้นไปจากความทุกข์ได้นี่เป็นข้อเตือนใจสำหรับเพื่อนสาธรรมิกทาทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัทที่อยู่ในเขตนี้ถึงแม้ว่าท่านหลายจะเป็นครวัดก็ตั้งใจจำถ้อยคำขององค์สมเด็จปัญนาสีที่กล่าวห้ามไว้ สมับพระสิ่งใดที่คนจะเราที่จะพึงปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติด้วยถือว่าอยู่ในเขตพรหมจรรย์ด้วยกันเราก็ปฏิบัติตนเป็นพรหมจรรย์เหมือนกันคำว่าพรหมจรรย์แปลว่าประพฤติอย่างประเสริฐคือปราศจากความเป็นคนคู่อยู่ในความสงบอยู่ในจิต ท, ที่ประกอบวิลกุศลมีศีลบริสุทธ มีสมาธิตั้งมัน่นมีปัญญาคือวิปัสนาญาณรู้เท่าธรรมเท่าทันตามความเป็นจริงของขันหาเราจะไม่ต้องติดในโลกกระททั้งแปดประ ก, การคือลาบเสียมลาบมียศเสียมยศนินทาสนเสริญสุขทุกเหตุแปดประ ก, การนี้เราต้องไม่หวั่นไหว้าต่อจากนี้ไปจะได้พูดถึงวินัย สำหรับวิ น, นัยงวดนี้จะพูดเตบเพียงโดยย่อเพื่อให้ท่านนหลายมีโอกาสจำได้ง่ายๆว า, าระนี้ก็จะพูดถึงโกสียวัตรคือวัตถีสองของนิสกีปาจิตตีองค์สมเด็จพปัญินศีสรงห้ามไว้ดังนี้คือหนึ่งพ่สุลลอสันถัด้วยขนเจียมเจือด้วยไหมต้องนิสกีปาจิตตี มณีเจียมเป็นคนที่มีความกาวาวมีความสวยมากนี่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการความสวยงามฉะนั้นท่านอยู่ที่อยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาอย่าสนใจกับความสวยงามทั้งพระทั้งเลนทั้งคารวาัตกุฏิวิหารที่อาศัยอย่าเอาอะไรไปประดับจนเลอะเทอะจนเห็นว่าสวยงามตามความนิยมของโลก จงใช้แต่ของเรียบเรียบที่มีระเบียบตามสมควรเท่านั้นและรีขาบที่สองพิสุหล่อสันทัด้วยขนเจียมดำล้วนตอนบทที่สีปาจิตีบอที่สามพิสุจะหล่อสันทัดใหม่เพงใช้ข้นเจียมดำสองส่วนข้นเจียมขาวหนึ่งส่วน ข้นเจียมแดงหนึ่งส่วนถ้าใช้ข้นเจียมดำเกินสองส่วนขึ้นไปต้องนิสขีปายิตีพอดีสี่พิสุลหล่อส้นถัดใหม่แล้วเพิ่งใช้ให้ได้หกปีถ้ายังไม่ถึงหกปีหล่อใหม่ต้องบัดมิตรนิสขีปายิตีเป็นไวแต่ได้สมมติก็ห้าพิสุลหล่อส้นถัดเพิ่งต้องเอาส้นถัดเก่าที่คืบหนึ่งโดยรอบ เพื่อตาตรรางคืบ <c oughs> มาปน ล, ลงในสันถัดที่หล่อใหม่เพื่อทำลายให้เสียสีถ้าไม่ทำดังนี้ต้องบัติสกีบายิตีสิ่ข้าบทนี้ก็แสดงว่าไม่ต้องการให้บิสุนิยมในความสวยงามมันเป็นกิเลสก่อนออกมาวิสุเดินทางไกลถ้ามีใครเคาถวไหวค้นเจียมต้องการรับก็รับได้ ถ้าไม่มีใครนำมานำมาเองได้เพียงสามโยน์โยน์ทั้ง400สี่ร้อยเซนถ้าให้เกินก็สามโยน์ไปต้องอบัดนิสกีปาจิตตีข้อที่เจ็ดพิสุใช้นามพิสุนีที่ไม่ช่้หยาให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้สสงก็ดีซึ่งค้นเกียมต้องนิสกีปาจิตตี ่อแปลพิสุรับเองกุดีให้บุอคนรับกุดีซึ่งเงินละทองด้วยยินดีเงินละทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนโตนิสคีปายจิตตีตอนนี้ขอดีบายกันสักนิดหนึ่งที่อ่านเรื่อยๆมาตั้งแต่สิกขาบทที่หนึ่งถึงสิกขาบทที่เจ็ดนั่นหมายถึงว่าพิสุทำสั้นถักคือผ้ารองนั่งด้วยตนเอง ถ้าบัตินิสกีไปตีตามที่กล่าวมาแล้วไม่ได้หมายความว่าธทำแล้วก็เป็นอบัติถ้าทำแล้วฝ่าฝืนพุทธบัญญัติที่กล่าวมาเป็นอบัติเราได้ว่าเวลานี้เราไม่ได้ทํากันเองแล้วของต่างๆที่เขาเจ้าบ้านเขาทามาถวายไม่เกี่ยวกับสิขาบทนี้ท่านนี้เพราะอะไรก็าเพราว่าเขาทํามาถวายนี่พิพงผู้พระพุทธเจ้าไม่ทรงห้าม ห้ามแต่เพียงเราทำด้วยตนเองแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้าเขาจะทำมาถาวายเราไปบอกเขาบอกว่าสีอย่างนั้นดีสีอย่างนี้ดีให้ประกอบกับความสวยงามมีความเกา ว, วาวอย่างนี้ต้องถือว่าผิดตามสิกขาบทนี้ตอนนี้มาสิกขาบทที่แปดที่สุรับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดี ซึ่งเงินและทองหรือยินดีทองเลื่องเงินดีก็เก็บไว้เพื่อตนต้อบัตนิสสกีปาจิตีสำหรับสิขาบทนี้ขอท่านนันหลายใข้ครวนให้ดีทั้งนี้ก็เพราะว่าเวลานี้ในที่บางแห่ง <c oughs> หรือในเขตบางเขตเขามานิยมรับเงินรับทองกัน และชาวบ้านเห็นว่าพระที่ไม่นิยมรับเงินรับทองเป็นพระที่มีความเคร่งครัดมัธยัติถึงก็มีการรังเกียจพระที่รับเงินรับทองแต่ผมตามความเข้าใจของผมหรือว่าพระมหาเถรนุเถระฝ่ายวิปัสสนาทุระมีความเข้าใจกันดี <c oughs> อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าพลงพระพุทธเจ้าทรงตัดว่ารับเองก็ดีใช้ให้คนอื่นรับก็ดีหรือมีความรู้สึกอยู่ว่าเขาเก็บไว้เพื่อเราถ้าเราก็ถือว่าทรัพย์สินส่วนนั้นมันเป็นของเราท่านจะพิจารณาเห็นว่าต้องอบัติเสมอกันคือนิสกีปาจิตตี อันนี้พระบางท่านเวลาที่เขาถวายไม่รับไม่รับเองแต่ว่าให้ลูกศิษย์รับไม่มอบไว้กับลูกศิษย์ถือว่าใส่ย่ามเถอะไม่ยอมรับมือไม่รับอันนี้ท่านนั้นหลายที่ฟังแล้วเห็นว่ามันพ้นไหมเห็นว่ามันพ้นหรือไม่พ้นมันพ้นตรงไหนกันรับเองก็ดี ให้คนอื่นรับก็ดีหรือว่าคนอื่นที่ก็เก็บไว้เพื่อเราที่เรียกกันว่าวิ ญ, ญาวัจกรแต่เรามีความรู้สึกว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นทรัพย์ของเราตาบัตินิสกีปาจิตตีนี่ดีผมย้ำไ ม, ม, ม่มากมากก็เพราะวาความเข้าใจผิดของปวงคนละพระมีมากแต่ตนเองไม่รับเงิน แล้วต่อหน้าคนไม่รับรับหลังคนรับยิดแล้วตอหน้าคนไม่รับรับหลังคนไม่รับคนอื่นเก็บเข้าไว้ให้ก็รู้ว่านั่นเงินของเรามีจำนวนเท่านั้นเท่านี้จิตใจยังผูกพันอยู่ไม่ได้พ้นโทษไปเลย <c oughs> ถ้าในเมื่อมันไม่พ้นโทษแล้วก็นี่ตามความรู้สึกของผม นื ว, ว่าครูบาอาจารย์หลายท่านเดียกันในสมัยโบราณผมเรียกว่าโบราณเพราะว่าเวลาการผ่านมาประมาณสี่สิบปีเศษในสมัยที่ผมบวชใหม่ๆที่พูดนี่เป็นพูดวันที่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยสิบแปดผมบวชผ่านเวลาการผ่านมาได้สี่สิบปีเศษ ไว้หลังไปสี่สิบปีผมเรียกว่าโบราณคือมันเก่าแล้วคนสมัยนั่นหัวยังเก่าอยู่ <c oughs> ท่านบอกว่ า, าการที่เราไม่รับต่อหน้าคนแต่ว่าให้คนอื่นรับเดี๋ยวว่าคนอื่นรับไปแล้วเขาเก็บไว้เพื่อตนยินดีอยู่แต่เราไม่ยอมรับจิตคิดว่าเรามีความดีที่ไม่รับเงิน ท่านบอกว่าคนที่มีอารมณ์อย่างนั้นมีกิเลสหนานแน่นที่สุดก็ว่าเป็นการหลอกลวงชาวบ้านเขาทำตนเป็นคนดีได้ความดีความจริงไม่ได้ดีตามนั้นจิตใจกับเลวซามกับท่านผู้รับเองให้ชาวบ้านเขารู้ไหนๆเราจะรับแล้วเราก็ยอมรับเสีต่อหน้าชาวบ้าน เพราะว่าชาบ้านเขาจะได้ทราบว่าพระองค์นี้รับเงินม้นเมื่อว่าเขารู้ว่าเรารับเงินเขาจะนิยมเราหรือไม่นิยมเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเราเปิดเผยให้เขารู้เลยดีกว่าว่าเรารับเงินรับทองถ้าหากว่าเราไม่รับต่อหน้าชาวบ้าน แต่ว่าภายหลังเราเก็บเองและบุคคลอื่นเก็บแล้วก็ทราบว่างเงินของเราเรามีอยู่เงนินและทองของเรามีอยู่เราถือสิทธิ์อยู่ยินดีในเงินและทองนั้นถ้าจะไหว้ เ, เข า, ราทราบทีหลังเราจะเสียสองชั้นคือเสียนืงในการหลอกลวงชาวบ้านแล้วก็ต้องโทษตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั น, นการที่เรารับเงินและทองเอง แต่ถ้าว่าจงอย่ายินดีในเงินและทองนั้นว่าเป็นทรัพย์สินของเราโดยเฉพาะพึงทําใจพวกเราให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเวลานี้เราเป็นศาสยบุตรพุทธจินโนรตเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเงินและทองที่เขาจะถวายเราเขาก็ถวายเราในฐานะที่เราเป็นพระในเวลาที่เขาถวายเขาก็บอกว่า ใช้ตามสมควรจะสมณบริโภคคือเราต้องคิดไว้เสมอว่าเงินทอนทั้งหลายเหล่านี้เราจะใช้บำรุงตัวเราเองตามความจําเป็นถ้าเหลือนอกจากนั้นเราจะ เ, เงินจํานวนนี้ไปสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็นประโยชน์แก่มนด า, าสาธารณชนเป็นส่วนสาธารณนะที่เรียกว่าแม้จะกอ่อสร้างถาวัลวัตถุในพระพุทธศาสนา และสร้างสิ่งตามความจำเป็นเพื่อความสะดวกของบรรดานักบวชทั้งหลายถือว่านักบุญทั้งหลายอย่างนี้จิตใจของเราไม่ยึดถือว่าเงินนี้มันเป็นของเราโดยเฉพาะถือว่าเป็นเงินของพระพุทธศาสนาเป็นเงินของพระเขาถวายพระถ้าเราไม่บวชไม่มีใครเขาให้ จะไปเอาเงินได้จากเขาบางทีต้องมีนโฉนดที่ดินไปให้เขารับไปรับรองดีไม่ดีเขาก็ไม่ยอมให้ที่ทาใจของเราให้สบายแบบนี้จงอย่าติดในลาบอย่าติดในเงินและทองอย่างนี้ผมถือว่าเราทนหน้าไดา้แต่ว่าใจของเราไม่ได้ยอมรับ ต่อหน้าชาวบ้านเพื่อเป็นการประกาศความจริงว่าเรามีความจําเป็นจะต้องใช้ทิ่ข้าบทนี้และบรรดาเพื่อนซาธ ร, รมิกาทั้งหลายตามความเข้าใจของผมผมคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจาา้าทรงทราบเมื่อต่อไปเบื้องหน้าคนที่จะพเนอพ น, นอพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เหมือนในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าอยู่ไม่มีองค์สมเด็จพระจิเนสีจึงได้ทรงมีพระพุทธดีกาตร์ในสมัยก่อนหน้าพระปรินิพานว่า น, นันทาดูก่อนอันนนท์เมื่อสถาคตปรินิพานไปแล้วสีขาบทบานสีขาบทซึ่งไม่ใหญ่โตนักแต่หากว่าไม่เหมาะกับกาลสมัย ปิสุสงทั้งหลายจะเห็นว่าไม่สูมควรจะเพิกถอนเสียก็ได้นี่เป็นพระพุทธบาทสงเขาองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาร์แต่ได้ว่าในเมื่อเป็นคำำําดํารจเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครที่ไหนจะยอมเพิกถอนก็มีความเคารพในพระองค์เจาสู้เอาหน้าทนทำหน้าด้านแต่ใจสะอาดดีกว่า ดีกว่าตอนหน้าคนไม่รับแต่รับหลังรู้ค่าของเงินรู้ค่าของทองรู้จากใช้เงินและทองให้เป็นประโยชน์ส่วนตนและเป็นประโยชน์ส่วนรวมอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าดีแต่ใจด้านขอให้ท่านทั้งหลายเลือกเอาอย่างหนึ่งจะยอมหน้าด้านแต่ว่าใจดีเพืจะเอาหน้าดีแต่ใจด้านกัน ถ้าเนั้นหลายจงอย่าลืมว่าถ้าเราตายไปแล้วร่างกายคือหน้าก็ดีตัวก็ดีมันไม่ได้ไปกับเราด้วยส่วนที่จะไปจริงๆก็คือใจใจประไปสวยความสุขเรื่องความทุกข์มันก็อยู่ที่ใจหน้าด้านแต่ใจดีแสดงว่าใจสะอาดหน้าดีแต่ใจด้านแสนดงว่าหน้าสะอาดแต่ว่าใจเสียใจสกปรก อันนี้ถ้าใจของเราสปกปรกเวลาเราตายไปเราก็ความสกปรกไปส่วนที่สปกปรกชาวสวรรค์เขาไม่ชอบชาวสวรรค์ก็ต้องการความสะอาดเราอยู่ไม่ได้คนสกปรกต้องไปอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่คือในนรกหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสติไรฉานนี่เขามรนดาเพื่อนปีสุสม